คุณปลางว่างไตงตื่นเต้นตืต่นเ้นรู้นะรู้ไปใจต้องคยตื่นขึ้ น, นมาอี่าไปบังคับมันกีเรศเกิบ่อยไหมออเออดีแต่ยังบังคับอยู่ดยออกไหมนะรู้ไปฮนะแล้วสิ่งที่ผิดมีสองงานเผลอไปกับบังคับไว้ ค, คุณหมอเป็นไงคุณหมอตัอ้งใจก่น ดูลูกเดียวเลยนะกายก็ส่วนหนึ่งนะเวทนาส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะนี่พอเราดูถึงจิตแล้วนี่เราก็เห็นต่อไปอีกสิ่งที่ประกอบกับจิตนะไม่ใช่จิตอย่างความกังวลความกลัวอะไรเนี่ยไม่ใช่จิตนะเป็นเจตสิกก็แยกออกไปอีกนะกายก็ส่วนหนึ่งนะเวทนาส่วนหนึ่งนะความปรุงแต่งของจิตนะส่วนหนึ่งแล้วก็ตัวจิตก็อยู่ส่วนหนึ่งคุณหมอจับมันแยกไปเรื่อย ไปดูให้มันกระจายออกกระจายออกนะแล้วมันไม่มีอะไรน่ากังวลหรอกเพราะมันจะไม่มีตัวเรานะอ่ะคุณนี่เป็นไงพอใช้ได้แล้วสติเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมนะเรารู้สึกได้ด้วยตัวเองนะพอทันทีที่สติตัวจริงเกิดนะใจมันตื่นขึ้นมมันรู้เองเลยนะนกชนกเป็นไง จิตสติอะไรนะที่บอกว่าที่ทบอกว่า่รอันวัตุไปเลยครับผมไม่แน่ใจว่ามเนี่ยมั น, มนต้องอเมันเป็นในทางต้องครหอมันบังคับเหลืออยู่หน่อยนึงเหลือนิดเดียวดีแล้วละ่ะดชนกใช้ได้แล้วดู่เรื่อยนะดีแล้วเัวียงเหลือการจงใจบังคับนิดนึงครับเราจะแก้ย่งไครับไม่แก่นะให้รู้ทัน คําว่าแก้เนี่ยไม่มีเลยในคําว่าทําริปัจ ส, สนานะเราจะไม่แก่ อ, อกเราจะรู้กายรู้ใจตาที่เขาเป็นรู้ไปจนเห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างจิตเนี่ยจิตมันทํางานตลอดเวลานกนกด อ, อกไหมมันทํางานของมันตลอดนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเป็นกุศลเดี๋ยวเป็นอกุศลเราเลือกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราไม่เลือกมันนะไม่ห้ามมันไม่บังคับมันตามดูไปจนเห็นความจริงมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันทํางานของมันเอง ดูไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะเอาใครจะส่งกันบ้านอีก อ, ะ ไ, ะ, ะ, อะไรนะดีแล้วไปดูเรื่อยๆนะนะคือตรงคอยดูแล้วก็ระวังอันหนึงตรงจงใจดูพอจงใจดูใจจะแข็งๆนิดนึงนะยังแข็งอยู่นิดนึงดูออกไหมให้รู้ทันตรงนี้นะสงสัยทราบไหม นะเมื่อกี้ทำอะไรอยู่เมื่อกี้นี่นั่งทำอะไรอยู่ยอมสังเกตไหมยมไม่ได้ฟังอย่างเดียวยมฟังไปคิดไปนึกออกไหมเราฟังแล้วเราคิดเราฟังแล้วเราคิดยอมคอยรู้ทันตรงนี้ใจเราไปฟังก็รู้ใจเราไปคิดก็รู้เตอนนี้ใจไปคิดทราบไหมยังไม่หยับทราบยังไม่ตื่นถ้าเรารู้ทันใจเราจริงๆนะ้วเราจะตื่นขึ้นมาฉับพลันเ ของโยมเคยฝึกแบบไหนมาพอใช้ได้แล้วล่ะดีแล้ยมคอยดูเรื่อยๆก็แล้วกันคอยดูให้รู้ทันพฤติกรรมของจิตะจิตของเราเนี่ยเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็วิ่งทางใจโยมดูออกไหมตรงนี้มันจะวิ่งไปวิ่งมาทางตาทางหูทางใจเนี่ยสามทางหลักๆความจริงวิ่งหกทางทางอายตนะหก แต่ตัวหลักๆ ก, ก็เดียเด๋ยวทางตาเดี๋ยวทางหูเดี๋ยวทางใจนั่งฟังอาตรมาพูดเนี่ยเดี๋ยวมองหน้าอาจมาแวบหนึ่งเดี๋ยวฟังอาตรมาพูดหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปคิดฟังสลับแกะคิดให้เราคอยรู้ทันถ้าเรารู้ทันมันได้ต่อไปมันจะแอบไปทํางานโดยที่เราไม่เห็นไม่ได้จิตมันชอบแอบไปทํางานแล้วมันก็ไปสร้างความทุกข์ใส่ใจเราเองอย่างตอนนี้กําลังคิดอยู่ทราบไหมให้คอยรู้ทันตนเองแบบเนี้นะ ิดเรารู้ว่าคิดคิดเรารู้ว่าคิดหลวงพ่อเตียนท่านสอนบอกว่าถ้าเรารู้ทันว่าจิตคิดนะเราจะได้ต้นทางของการปฏิบัติรู้ทันว่าจิตชิดในโลกนี้ไม่มีคนรู้ทันว่าจิตคิดมีแต่รู้ทันเรื่องที่จิตชิดชอบไปรู้เรื่องที่จิตชิดจิตจะคิดเป็นเรื่องเรื่องเรื่องโน้นเรื่องนี้เปลี่ยนเรื่องไปเรื่อยๆใครๆก็รู้เรื่องที่จิตคิดแต่ไม่ค่อยมีคนรู้ทันว่าจิตกาลังคิดอยู่ อย่าตอนนี้จิตกําลังคิดอยู่ทราบไหมให้ค่อยสังเกตค่อยรู้ทันตรงนี้นะเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดมาอยู่ในโลกของความจริงพอเราอยู่ในโลกของความจริงเนี่ยเราจะเห็นทันทีเลยกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจเนี่ยถ้าดูไปนานๆจะเข้าใจว่ามันก็ไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีถ้าวันใดเห็นว่าตัวเราไม่มีนะจะได้พระโสดาบันมนั่นนะคุณกบว่าไงคุณกบ เนี่ยรู้สึกขอโทษนะรู้สึกไหมมันชอบหนีไปคิดให้รู้ทันนะจุดอ่อนของคุณอยู่ตรงนี้แหละตรงที่พยายามทําความเข้าใจธรรมะด้วยการคิดเอานะเราปรับนิดนึงให้มาคอยรู้ทันจิตมันไปฟังก็รู้มันตั้งใจฟังรู้สึกไหมตอนนี้ตั้งใจฟังเรนะาตั้งใจฟังแล้วมันก็สลับกับคิดให้เราคอยรู้ทันมันฟังก็รู้มันคิดก็รู้ไปนะรู้เรื่อยๆนะอ่ะคุณจกว่างไง ดีแล้วใช้ได้แล้วอืออืดีแล้วดูแล้วถูกต้องแล้วนะใช้ได้แล้วพอเรารู้สึกตัวถูกต้องใจมันจะเป็นกุศลใจที่เป็นกุศลนะมันจะเบาเบามีละพูตาเบามีมุทุตาอ่อนโยนนุ่มนวลรู้สึกไหมมันนุ่มนวลมันอ่อนโยนมันเบามันปราดเปรียวไม่ซึมไม่ชื้นนะมันปราดเปรียวเรียกว่าปากุนตาคล่องแคล่ว่วงไว มันไม่ถูกกิเลสครอบงำดีแล้วใครรู้ไปนะคุณกบดีละวคุณสุนันล่ะโอ้เป็นธรรมชาตินะเหลือเพืกอควารู้เป็นธรรมดาไปอย่างนั้นทุกคนแหละนะคุณเป็นไงบ้างยังบังคับอยู่ทรชบไหมไม่อ อ, ออกหิืยังมันบังคับนะ ให้รู้ทันสภาวะก็คือการที่เราไปบังคับใจตัวเองสิ่งที่ผิดมีสองงานอันหนึ่งเผลอไปลืมกายลืมใจสิ่งที่ผิดอันที่สองก็คือการบังคับกายบังคับใจกดข่มไว้บังคับไว้ถ้าเราเผลอไปลืมกายลืมใจเราไม่สามารถรู้สึกตัวรู้กายรู้ใจไม่ได้ทำวิปันสนาไม่ได้เพราะวิปันสนาต้องรู้กายรู้ใจถ้าเราบังคับไว้กายกระใจอยจะนิ่งผิดความเป็นจริง เรารู้ได้ไม่ตรงความจริงล่ะได้แต่สมถะคุณประกรณ์เป็นไงคุณประกรณ์วันนี้ต้องเร็วนิดหนึ่งนะทำไมเยอะนะก็ไม่รู้อ๋อแต่คิดมากทุกคนสติเกิดบ่อยไหมกิเลสเกิดบ่อยไหมตรงนี้ดีละดีละเห็นกิเลสดีกว่าเห็นเทวดานะ เราเห็นิเทวดาแล้วเกิดกิเลส เ, เห็นกิเลสเลยเลยพ้นกิเลสอาจารย์ครัในการปฏิบัติตามัเนี่ยเราปฏิบัติตามรูปแบบนี้เป็นปฏิบัติตามรูปแบบเนี่ยถ้าเราเจอเวทนาเนี่ยเราจะเข้าไปดูตรงๆดีหรือว่าจะหลีกเลยงพอแล้วแต่ว่าเราทํากรรมฐานชนไหนนะถ้าเราทํากายานุปัสสนารู้ ก, กายเนี่ยมันมีเวทนาขึ้นมาแล้วก็ขยับเปลียดอิริยาบถเราก็จะเห็นว่ากายเมื่อกี้อยู่ในอิริยาบถอันหนึ่ง เดี๋ น, นี้อยู่อีกอิริยาบถหนึ่งกายสองอันนี้คนวรร่า ก, กายกันเราจะเห็นว่ากายนี้ไม่ใช่ตัวเดิมหรอกไม่เที่ยงนะหรือถ้าเรารู้เวทนาถ้าจะค่อยรู้เวทนาก็ห้ามเปลี่ยนอิริยาบถให้นั่งดูไปเรื่อยๆจนเห็นว่ากายก็อันหนึง่งเวทนาก็อันหนึง่งจิตก็อันหนึง่งนะไม่หนีถ้าจะดูเวทนาถ้าดูกายได้เปลี่ยนอิริยาบถได้ถ้าดูจิตพอมันเมื่อยขึ้นมาเราจะเห็นว่าจิตกระสับกระสายนะเรารู้ว่าจิตกระสับกระสาย พอเราเปลีดีริยาบทจิตมีความสุขเรารู้ว่าจิตมีความสุขเนี่ยถ้าเราดูจิตเราก็เปลี่ยนดีริยาบทได้แล้วแต่คุณประกอบไปเอาอะไรนะเ <c oughs> ดี๋ยวดูเวทนาก็าทนเอาอย่างสายท่านโคนณการห้ามกระดุกระดิกถ้ า, าจิตมีกำลังเนี่ยดูเวทนาแล้วเวทนาเขาเปลี่เขาใช้เวลาใ้เราเห็นอ่า มันเกิดปิตินะใจมันมีปิติขึ้นมาไปเห็นความจริงขึ้นมาเกิดปิติมันร้องผมร้องไห้ได้คุณใกรพักเหรอยังคิดไม่เลิกนะใจมันไม่ยอมตื่นจังนี้รู้สึกไหมคิดคิดเดียวไปนี่ว่าไปยังเสร็จแล้วเหร อ, อคุณผู้หญิงเนี่ย สองคนดีดีนะดูมันเกิดระดับนะไม่เข้าไปแทกแสงไม่ใช่เข้าไปละใช่ใช่เราจะเห็นเลยว่าตัวขัดท่าจริงๆเป็นตัวทุกข์นะชติเราเป็นตัวระลึกรู้คือปฏิบัติถูกต้องมันจะเห็นทุกข์มันไม่ใช่เห็นสุขหรอก แต่เดิมเราเห็นว่ากายนี้ใจนี้เนี่ยเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างทั้งๆที่พระพุทธเจ้าสอนบอกขันห้าเป็นทุกข์ถ้าไม่ได้ว่าเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างในความรู้ไม่เท่าทันของเราทําให้เห็นว่ากายนี้ใจนี้เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเมื่อมันมีสองอย่างมันก็ยังอยากได้ความสุขอยากหนีความทุกข์อยู่เพราะมันมีทางเลือกแต่พอเรามาเจริญสติเจริญปัญญาถูกต้องเราจะเห็นว่าทุกข์ล้น้วนกายนี้ทุกข์ล้นล้วนจิตนี้ทุกข์ล้นล้วนนะ ไม่มีทางเลือกที่สองหรมันจะปล่อยวางความยึดถือกายยึดถือใจได้เพราะมันรู้แล้วไม่ใช่ของดีทําให้สุขไม่ได้ทําให้ดีไม่ได้จะปล่อยทิ้งเนี่ยเราปฏิบัติจนมันปล่อยวางความยึดถือความพ้นทุกข์เกิดจากการที่ใจมันปล่อยวางนี่แหละมันปล่อยวางได้เพราะมันมีปัญญารู้ความจริงว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์เพราะวางแต่เราปฏิบัติในขั้นนี้เราก็เห็นว่าทุกข์บ้างสุ ข, ขบ้างรู้สึกไหมอย่างกายเนี่ยเราก็เห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้าง จิตนี้เราก็เห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างถ้ามันมีความอยากมีความยึดอารมณ์ขึ้นมามันก็ทุกข์ถ้ามันไม่อยากมันไม่ยึดมันทรงตัวเด่นอยู่เฉยๆเราก็ว่ามันไม่ทุกข์เนี่ยเรายังเห็นไม่แจ้งแต่ตามรู้ตามดูไปดีแล้วละ่ะใช้ได้อย่างกายเนี่ยคนทั่วๆไปจะเห็นว่าทุกข์บ้างสุขบ้างถ้าเรามีสติเราจะรู้ว่าอย่างนั่งอยู่เดี๋ยวๆนะความทุกข์ตามมาแล้แลวเราก็เปลดอริยาบทหนีทุกข์ เปลี่ยนได้แวบเดียวความทุกข์ก็ตามมาทันอีกก็เปลี่ยนอีกเเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนนอนก็ต้องนอนพลิกไปพลิกมาเพราะมันทุกข์จะเห็นเลยมันทุกข์ทั้งวันนะทุกๆอิริยาบถถ้าเรารู้ลมหายใจเข้าออกเราก็เห็นว่าทุกข์อยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเราไม่หายใจก็ทุกข์นะหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์ต้องหายใจออกแก้ทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์ต้องหายใจเข้าแก้ทุกข์ ถ้าเรามีสติรู้ลมหายใจอย่างถูกต้องเราก็จะเห็นว่า ก, กายนี้ถูกความทุกข์บีบคั้นทุกลมหายใจเข้าออกในกายเป็นทุกข์ล้วนๆเลยจิตใจละ่ะจิตใจก็ดูไปเรืยนะมีแต่ความแปรปรวนเที่ยววิ่งหาความสุขความสุขอยู่แวบเดียวก็หายไปอีกละอย่างเรามีความอยากเกิดขึ้นเราตอบสนองความอยากของเราเรามีความสุขได้แว บ, บนึง<ไ>เดี๋ยวเราจะอยากอันใหม่ละเรื่องความทุกข์มันจะตามไล่จี้มาตลอดเลย เราก็จะค่อยๆคิดว่าเออถ้าจิตไม่อยากไม่ยึดจิตจะไม่ทุกนะอันนี้ยังดูได้ไม่ตลอดสายนะถ้าดูตลอดสายเห็นว่าตัวจิตนั่นแหละตัวทุกถ้าตัวจิตเป็นตัวทุกมันจะปล่อยวางจิตถ้าปล่อยวางจิตแล้วมันจะพ้นทุกจริงๆมันอัศจรรย์มากพักเพี่ยนไปดีละทั้งสองพี่น้องดีแล้ว<ม>เออต้องอย่างนั้นแหละทําถูกแล้วล่ะ มันทําผิดตลอดเพราะว่าทุกครั้งที่มันทํามันจะต้องผิดสิ่งที่จิตมันทํามีสองงานเองไม่เผลอไปก็บังคับไว้รู้สึกไหมเพราะงั้นไม่ว่ามันจะทําอะไรนะมันทําผิดตลอดหรอกแต่ว่าพอมันรู้ทันแล้วมันหยุดทําถ้าหยุดทําแล้วถูกนะแต่หยุดของมันเองนะหยุดด้วยปัญญาถ้าหยุดด้วยการเพ่งเอาไว้เนี่ยก็คือการทําอีกอันหนึ่งเรียรู้เรื่อยๆนะรู้ไปอ้าวสีนมนี้ส่งกันบ้าน มันจะม่เจไปเยอะนะแล้วจะไล่หมดเลยเนี่ยอา้าวว่าไงโย เ, เห็นอะไรก็เห็นแต่นะรู้สึกไปบ่อยๆก็แล้วกันมันไม่เกิดซ้ำกันหรอความสุขเนี่ยของโยเนี่ยมันหมายถึงความสุขที่ใจมันตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ใช่ไหมอเอนั่นแหละเพราะว่า เราไปรู้มันเข้าสังนะเกตไหมในขณะที่กำลังสับสนวุ่นวายเนี่ยมีสิ่งบางสิ่งที่สงบอยู่ในทุกๆสถานาการณนะ์เนี่ยถ้าเราเข้าไปถึงธรรมชาติรู้วันนี้งั้นในความวุ่นวายก็จะมีความสงบในความร้อนก็มีความเย็นอยู่เหนะมือนมีที่หลบภัยนะแต่ว่าถ้าหลบภัยอยู่ตรงนี้นะก็ไปไหนไม่ได้ <c oughs> ดีแล้วที่โยเห็นอย่างนั้น <c oughs> เห็นถูกแล้วล่ะ แต่ว่าสังเกตไหมตรงนี้ก็รักษาไว้ไม่ได้รักษาไม่ได้แต่ภาวนาเก่งขึ้นเยอะเลยถึงเห็นอย่างนี้ได้ดีใจรู้ไหมดีใจลืมดูแล้วเนาะดีละจกักออเดี๋ยวบอกพวกเราภาหนาทีมสี่คนนี้เขาชื่อทีมทุสนะีนี่ทุสีนหลกักหลักสองคนกลาง สองนิดคู่ข้างข้างแค่ตัวประกอบนะว่างไงหัวหน้าทีมทุสินเริ่ม เ, เสื่อมมาประมาณสี่วันแล้ววันนี้แสั้นเหรอนมปราลแตกสั้นสิตไม่เสื่อมหรอกสังเกตไหมว่าจิตใจมันเปลี่ยนไปเรื่อย ถ้าเรามีสติมีปัญญานะเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงไปใจเราจะเป็นกลางถ้าเราภาวนาจนใจเป็นกลางมันไม่มีคำว่าเสื่อมหรอกนี่ที่เรารู้สึกเสื่อมเพราะว่าเราไม่เป็นกลางเราอยากให้มันเจริญแต่ถ้ามันเสื่อมให้ดูนะดูด้วยใจที่เป็นกลางนะมันไม่เสื่อมหรอก มันไม่เกี่ยวกันมันเสมอภาคกันหมดแต่ว่าจิตตอนนี้เราบังคับไว้ดูออกไหมเราอย่างบังคับอยู่นะอย่าไปจับมันไว้ใจถึงๆหน่อยอย่า ก, กลัวห้าไม้ไไไมนนก็มันเพยงหน่ะสิอานะ่าใจมันทำหน้าไม้ไม่ได้ทำยัง <c> ไ <oughs> รู้สึกไหมจิตมันทำงานของมันได้เองมันจะเพ่งมันก็เพ่งนะห้ามมันไม่ได้รู้สึกไหมเราปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่เพื่อเอาสภาวะอันใดอันหนึ่งแต่ปฏิบัติจนเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้จริงการที่มันอยู่ๆมันก็แน่นขึ้นมานี้ไม่รู้สึกไหมเราบังคับมันไม่ได้เนี่ยเรียนให้เข้าใจตรงนี้นะแล้วยอมรับสภาพตรงนี้ซะมันจะหายแน่น ยิ่งมันแน่นขึ้นมาแล้วเราไม่ชอบยิ่งดิ้นก็ยิ่งแน่นว่วเก่าอีกอ้าวสมพงษ์ว่างไ ง, เ อ, าางเออทุกไปก่อนนะรู้ไปด้วยใจเป็นกลางกลางไหมเป็นธรรมดา นักปฏิบัติเป็นทุกขั้นทุกตอนเลยนะบางวันเหมือนมรรคนิพพานอยู่ต่อหน้าแล้วบางวันเหมือนมรรคนิพพานหายไปเลยเหมือนกับปฏิบัติไม่เป็นนะมันไม่ใช่อารมณ์หรอกมันฟุ้งซ่านเต็มที่จิตต้องมีอารมณ์หน้ามีจิตก็มีอารมณ์นี่มันจับอารมณ์น้นทีจับอารมณ์นีทีนะสติปัญญามันตามไม่ทันก็ดูไป๋ยวาไปเกลียดมัน ที่สําคัญนะโ ย, โยมิเอสมโพงมีเคล็ดลับนะเวลาที่จิตเสื่อมอย่าตกใจดูมันเสื่อมเหมือนดูคนอื่นเสื่อมแล้วมันจะเจริญฉับพลันเลยพอจําได้ไหมแต่ถ้าเสื่อมแล้วรู้สึกว่าตายแล้วเสื่อมแล้วดิ้นนะยิ่งดิน้นยิ่งไปเลยยิ่งเสื่อมนานแต่ถ้ามันเสื่อมแล้วดูเหมือนเห็นคนอื่นเสื่อมนะไม่เสื่อมหรอกคุณธรรมราเป็นไงเวลา ดีแล้วนะดีแล้วคุณอมราน ด, ดีแลแ้ก่อนลูกหนะลานมันกวนมากนะอวลานหนีเข้าฌานทั้งวัน <c oughs> ดีแล้วดีแล้วเอายมป้าว่าไง <c oughs> ดีแล้ว คือจิตใจที่มันมีความสุขขึ้นมานะมันเป็นกุศลจริงๆเราไม่ได้จงใจทำขึ้นมารู้สึกไหมไม่ได้จงใจทำเพราะถ้าจงใจทำมันเป็นอกุศลเพราะมันอยากทำนี้พอจิตมันไม่ได้จงใจทำแต่มันมีสติไปรู้เข้าจิตเป็นกุศลจริงๆจิตมีความสุขจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีโสมนัสเวทนามีความสุขมีความสุขโดยตัว ข, ของมันเอง ถ้าไม่มีความสุขก็เป็นกลางๆนุ่มนวลสบายๆนะมีได้สองอย่างจะไม่มีความทุกข์จิต ท, ที่มีความทุกข์เนี่ยต้องเผลอๆห ล, ลงๆเ ง, นะงั้นดีแล้วล่ะที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะพี่รุ่งสีไม่มา <c oughs> อ๋ออยู่นี่